เนใหม่แล้วอีกแค่สี่วันนะก็จะออกพรรษาหลายคนนะรอคอยนะวันนี้แหละออกพรรษาโดยเพราะพระใหม่นะเพราะว่าพ้นจากนี้ไปนะออกพรรษาก็จะเป็นอิสระแล้วนะหลายคนอาจจะรู้สึกว่านะช่วงพรรษานี้ สามเดือนนะเป็นช่วงที่นะถูกจํากัดนะเสรีภาพหลายอย่างพอตอนเป็นฆราวานนะเราทำอะไรก็ได้แต่พอมาเป็นพระแนละ้วยิ่งเป็นพระที่วัดป่าสุกโตซึ่งห่างไกลาจากความสะดวกสบายความเจริญก็อาจะรู้สึกเป็นทุกข์ แล้วก็รอวันน้ที่จะได้หลุดพ้นจากพันธะไม่ใช่แค่ออกพัรษาอย่างเดียวอาจจะหมายถึงการศึกษาลาเพศแล้วได้กลับไปสู่เสรีภาพอีกครั้งหนึ่งคนที่คิดแบบนี้ก็จะมองว่าเนี่ยในการอยู่วัดจำพรรษานี่มันเป็นเหมือนคุกนะมันก็ติดคุกออกพรรษามันไม่ใช่แค่ออกจากพนรษาเดียวแต่มันเป็นการออกจากคุกด้วย แต่ที่จริงเนี่ยถ้าเปรียนไปแล้วเนี่ยการอยู่ในอาวาสนะตลอดพรรษาโดยมีศิขาบทนะหรือวินัยเนี่ ย, อนนยสองยี่สิบเจ็ดข้อนะมากํากับหรือควบคุมพฤติกรรมแต่มันยังไม่ใช่คุกนะที่แท้จริงเนี่ย มันเป็นคุกโดยอุปม า, มาเป็นคุกโดยอุปม า, มาโดยเปรียบเทียบไอ้คุกจริงๆนี่มันก่อ้วยอิดนะสร้างโดยปูนซึ่งเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพของคนอย่างแท้จริงไม่มีใครอยากจะเข้าไปอยู่ในคุกแบบนั้นแต่เวลาพูดถึงคุกเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ มีแต่คุกที่ก่อด้วยอิทธิขังอ่าก่อด้วยอิทําทได้ปูนอย่างเดียวนะอันนั้นมันแค่ขังกายมันมีคุกที่น่ากลัวกว่านั้นนยะไม่ได้ก่อด้วยอิทไม่ได้ทำได้ปูนไม่มีรวดน้นามแต่ว่ามันก่อความทุกข์ให้กับผู้คน มากกว่าคุกที่เราเรียกว่าเรือนจำซะอีกนะอันนั้นคือคุกที่ขังใจนะมันน่ากลัวพราะเหตุผลและประการนะประการแรกคือคนไม่คิดว่ามันมีคนคึกว่ามันมีแต่คุกที่นะสร้างด้วยอิฐก่อด้วยปูนมีรวดน้ํามียามเฝ้าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในคุกนั้นก็แสดงว่าฉันเป็นอิสระ แต่หารู้ไม่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอิสระจริงๆเพราะว่าใจเนี่ยมันถูกกักขังไว้ในคุกชนิดหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นเมื่อไม่รู้ว่ามันมีเนี่ยก็เลยไม่คิดอยากจะออกให้คนที่อยู่ในคุกนะที่เป็นเรือนจําเนี่ยคิดแต่วันที่จะออกจากคุก บางก็นับวันหรือบางก็หาทางแหกคุกหลบหนีแต่คุกของใจเนี่ยนะมันมันครอบมันครอบใจใครไว้เนี่ยนะส่วนใจไม่คิดจะจะหนีนะเหตุผลก็เพราะว่าไม่รู้วมมันมีอีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะถูกหลอกให้จมดิง่งหรือว่าเพลิดเพลินกับคุกแบบนั้นด้วยก็ได้ คุกของใจนี่มันได้แก่อะไรบ้างนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดลงๆก็คือความหลงนั่นแหละความหลงน่เป็นคุกของใจคนเวลาอยู่ในความหลงเนี่ยมันไม่ไม่รู้เลยนะว่าอันนั้นแหละคือคุกแล้วก็ยังอยากอยู่ในคุกนั้นต่อไปหลงนี่หลงได้หลายแบบนะอย่างง่ายๆเพื่อนๆคือหลงความคิดนะ คนเวลาเนี่ยหลงเข้าไปในความคิดเนี่ยมันเพลินนะเพลินกับความคิดคิดเรื่องนั้นเสร็จก็ต่อเรื่องโน้นที่เรื่องโน้นเสร็จก็ต่อเรื่องนั้นเราสังเกตในะเวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยมาเดินจงกลมมาสร้างจังหวะเนี่ยมันเพลินเข้าไปในความคิดนะแล้วก็ต่อเนื่องยืดยาวเป็นสาย ทั้งๆที่ตั้งใจนะว่าเราจะมาเพื่อที่จะเป็นอิสระจากความคิดนะแต่ว่าพอคิดทีไรมันมันยืดมันยาวทุกทีเลยความคิดนี่มันมีรสชาติทั้งๆที่เป็นความคิดที่ทําให้เราเจ็บทําให้เราปวดทําให้เราเศร้าทําให้เราโกรธก็ยังเพลินหรือหลงคิดเรื่องนั้น เป็นชั่วโมงนะเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีด้วยซ้ำจนบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าคิดถึงแต่หรือจมอยู่กับไอ้ความคิดเนี่ยไม่อยากออกมาแล้วพอหลงเข้าไปในความคิดนะ่มันก็จะตามมาได้หลงเข้าไปในอารมณ์ เพราะความคิดเนี่ยมันปรุงแต่งอารมณนะ์ถ้าดีใจก็แล้วไปแต่ส่วนใหญ่ก็เสียใจเศร้าโกรธหงุดหงิดอิดช้าน้อยเนื้อต่ำใจและพอหลุดเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นแล้วเนี่ยมันก็จะจมดิ่งลงไปเรื่อยๆนะไม่อยากออกนะคนที่เศร้าเสียใจเนี่ย เขาจะเอาแต่เจ้าจุกนะแม้แต่เสียใจเพราะของหายเงินถูกโกงไปรถยนต์ถูกจึดนะสิ่งที่เขาทำคือนั่งเศร้านั่งเจ้าจุกทั้งนั้งที่มันมีอะไรให้ทำทั้งนั้นมันมีอะไรที่ดีๆกว่านั้นเยอะแยะมีความสุขอยู่รายรอบ อาจจะมีลูกหลานมาวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆมีคนรักอยู่ข้างเคียงอาจจะมีธรรมชาติอยู่รอบตัวมีเสียงนกร้องมีผ้าทิศขึ้นแต่ว่าเขาไม่สนใจเขาไม่สามารถที่จะเปิดใจรับความสุขเหล่านั้นได้เลยไม่อยากจะไปค้องแวะด้วยซ้าขอเจ้าจุกอยู่อย่างนั้นแหละนะ เพื่อนมาชวนไปเที่ยวก็ไม่ไปนะลูกชวนนะให้นะไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศก็ไม่ยอมเวลาฟังเพลงก็จะฟังแต่เพลงเศร้าๆซึ่งก็เหมื่อการทําให้คุกเนี่ยมันแน่นหนามากขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นคุกที่ไม่มีใครอยากจะออก ควรส่วนใหญ่ไม่อยากจะออกความโกรธก็เหมือนกันนะเวลาโกรธเนี่ยมันจะจมอยู่ในความโกรธทั้งที่ความโกรธมันเผาล้นใจเวลาโกรธใครเนี่ยก็จะขุดคุย้ยย้อนระลึกนึกถึงความไม่ดีของเขาซึ่งอาจจะผ่านไปหลายปีแล้ว เขาทำให้เราโกรธในเรื่องนี้ก็ไปขุดเรื่องนั้นเรื่องโน้นมาเพื่อทําให้โกรธหนักขึ้นคนเวลาติดคุกเนี่ยนะมันอยากจะออกนะแต่ว่าติดคุกอารมณ์เนี่ยมันไม่อยากออกมันอยากจะหลงอยู่ในคุกนั้นนานขึ้นแล้วก็อยากจะพาตัวเข้าไปในในคุกเดียวนะในขังเดียวด้วยซ้ําก็คือมันไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเวลาเศร้าเวลาโกรธ เวลารร้สึกผิดเนี่ยมันจะจมดิ่งลงไปเปรียบไปเมื่อคนที่ขุดหลุมให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็อยู่ในหลุมนั้นจนกระทั่งไม่เห็นเดิมเห็นตะวนันเคยสังเกตใจของเราบ้างไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เลยนะเรียกว่าคุกของใจแหละที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากออกส่วนหนึ่งเพราะคิดว่ามันไม่มีอีกส่วนหนึ่งเพราะ มันเพลินมันมีรสมีชาตินะความโกรธก็มีรสชาตินะความเศร้าก็มีรสชาติใจนี้ก็บอกมันทุกข์มันร้อนมันปวดมันเจ็บแต่ใจนี้ก็ขอเพลินกับมันนะขอจมอยู่กับมันอันนี้เพราะอะไรนะทั้งที่เจ็บทั้งที่ปวด แต่ก็ยังไม่อยากหลุดไม่อยากออกร่างกายเราเนี่ยเวลาเจ็บปวดนะแม้แต่เพียงแค่มือไปถูกหนาเท้าไปเหยียบแก้วทันทีที่สัมผัสและรู้สึกปวดเนี่ยร่างกายมันชักนิ้วหรือว่าชะ ง, งักเลยนะเท้าอะ่ะบางทีก็ดึงเท้าออกมาทันทีเวลามือเราเนี่ยไปจับของร้อน หรือโดนไฟช็อต น, นี่เรารีบชักมือออกมาเลยแต่ทำไมใจเนี่ยเวลามันเจออารมณ์ที่หรือความคิดที่มันกรีดใจให้เจ็บปวดเผารนใจให้รุ่มร้อนหรือบีบคั้นใจจนอึดอัดมันกลับพอใจหรือจมอยู่กับหรือวิ่งเข้าหาด้วยซ้ำ มันวิ่งเข้าหาเลยนะในอารมณ์เหล่านั้นเวลามีเสียงดังใจไม่ชอบเสียงดังนะแต่ใจทำไงใจมันยิ่งไปจดจ่อตรงเสียงดังนั่นแหละไอ้เสียงไพ่ร้อดเสียงเพลินเสียงที่ดีๆนี่ไม่สนใจเช่นขณะที่กำลังฟังเพลงอยู่หรือดูหนังด้วยซ้ำ มีเสียงโทรศัพท์ดังมีเสียงคนคุยกันข้างหลังใจมันไปอยู่ที่ไหนใจมันไปอยู่ที่เสียงที่ดังรบกวนไอ้เสียงเพลงหรือว่าหนังที่มันแสดงอยู่ตอนหน้าไม่สนใจแล้วอันนี้เรียกว่ารีเข้าหาและเป็นไงทุกข์ไหมทุกข์โกรธไหมโกรธหงุดหญงิดไหมหงุดหงิดและทํางานก็ขอพัวพัน ยิ่งจดจอยิ่งพันตัวอยู่กับอารมณ์นั้นหรือเสียงนั้นเวลาปวดเวลาเมื่อยเวลานะเมื่อยแขนเมื่อยขาปวดแขนปวดหัวถามว่าชอบไม่ไม่ชอบแล้วใจไปอยู่ไหนใจก็อยู่ตรงที่ปวดนั่นแหละนี่เลยว่ารีเข้าหาคุกนะแล้ววิ่งเข้าหาคุกเลยแล้วพอไปอยู่ในอารมณ์นั้นคือความเจ็บความปวดนั่นก็จมอยู่กับความเจ็บความปวดนั่นแหละ ไม่อยากออกนะเพราะอะไรนะเพราะหลงเพราะลืมตัวเพราะไม่รู้ตัวถามว่าจะออกจากคุกของใจได้อย่างไรนะเพราะความรู้ตัวนี่แหละสตินี่แหละเนี่ยที่มันช่วยดึงจิตออกมาหรือเปิดทางให้จิตเนี่ยออกจากคุกนี้ถ้าเราไม่ มันสร้างความรู้สึกตัวไม่เจริญสตินะจิ๋ก็ถูกขังอยู่ในคุกแห่งความคิดและอารมณ์ดูเรื่อยไปเสร็จแล้วก็มาบ่นว่าทําไมชีวิตนี้มันมันทุกแบบนี้ทําไมโลกนี้มันอยู่ยากแบบนี้ที่ยังโทษตัวเองนะว่าวิ่งเข้าหาคุกเองเนอรรี่เข้าหาแล้วก็ ขังตัวเให้อยู่กับคุกนี้อย่างแน่นหนาเดีย๋ยวนี้มีคนจำนวนมากขึ้นนะพอมันจมอยู่ในอารมณ์นี้นะไม่อยอมออกจากบ้านเก็บตุยแต่ในบ้านในประเทศญี่ปุ่นนี่มีประเภทนี้เยอะเลยอันนี้เร้ ว, ว่าคุกขังใจนะไม่พอนะอยังเอาบ้านมาเป็นคุกขังกายด้วยไม่กล้าออกไม่อยากออก ในการทําความรู้สึกตัวมีส ต, ติเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกุญแจนะที่พาจิตของเราออกมาจากคุกเป็นอิสระและจิตเนี่ยเป็นอิสระได้นะแม้กระทั่งกายเนี่ยถูกขังไว้ในคุกที่ก่อด้วยอิฐทํำด้วยปูนหรือแม้แต่คุกที่ทํำด้วยเนื้อนะมันมีคุกที่ทําด้วยเนื้อนะก็คือร่างกายของเราเนี่แหละ บางคนก็เป็นอัมพกอมาตนอนติดเตียงบางคนเป็นก็เป็นโรค ก, กล้ามเนื้ออ่อนแรงขยืนขยับอะไรไม่ได้เลยน่าสงสารมากบางคนก็เป็นโรคที่หนักนะเขาเรียกว่าหลอกอินซินโดรมหลอกอินซินโดรมนี่ก็คือประสาทเนี่ยมันเสียหมดเลยนะทำมี้กล้ามเนื้อมันหมดเลยสมองเนี่ยยังปกติดีอยู่แต่ว่ากล้ามเนื้อทุกอย่าง สั่งการไม่ได้ก็เหมือนกับว่าจิตมันขังถูกขังอยู่ในร่างกายแต่คนเหล่านี้เนี่ยหลายคนนะจิตก็ เ, เป็นอิสระนะแม้จะเป็นอมัอมาพาตอัมพาตติดเตียงนะป่วยหนักจนกระทั่งบางทีไอต้องมัดมือมัดขาโดยเพรมัดมือไม่ให้ดึงสายยางเนี่ยแต่ว่าบางคนก็จิตเขาก็เป็นอิสระนะ เพราะเขามีความรู้สึกตัวเขามีสติอันนี้เราว่าสติไม่ใช่ทำให้หลงทำให้หลุดจอกคุกแข่งความหลงหลงในความคิดหลงในอารมณ์จริงๆมันมีหลงอีกตัวหนึ่งที่ใหญ่มากเลยนะก็คือการไม่รู้ความจริงหลงอย่างแรกเนี่ยหลงพื้นฐานคือไม่รู้ตัวนะ หลงตัวที่สอ น, นคือไม่รู้ความจริงอันนี้เรียกว่าอวิชาอันนี้เป็นตัวหลงที่ใหญ่มากนะซึ่งออกมาได้ยากที่สุดแต่ถ้าเรารู้จกักออกมาจากความคิดออกมาจากอารมณ์เพราะมีความรู้ตัวมีสติเราใช้ความรู้ตัวใช้สตินี่แหละนะเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะมาดูกายดูใจมันก็จะเห็นความจริงนะ ที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยนะกายกับใจมันก็เป็นอนัตตานะมันไม่มีตัวไม่มีตนนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จริงมันไม่มีตนในทุกอย่างเลยนะทั้งนอกตัวแล้วก็ในตัวอ น, นี่เป็นความจริงที่ลึกซึ้งมาก ซึ่งมันจะทําให้จิตเป็นอิสระอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนเนี่ยไม่มีเราไม่มีแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าเราเนี่ยหรือว่ากูเนี่ยนะความยึดติดถือมั่นทั้งปวงก็สลายหมดนความทุกข์เนี่ยแม้จะมีอยู่นะแต่ไม่มีมันไม่มีกูผู้ทุกข์ละมีความทุกข์แต่ไม่มีผููทุกข์นะก็เพราะมันไม่มีกูนะตั้งแต่แรก มีความปวดแต่ไม่มีผู้ปวดมีความเครียดแต่ไม่มีผู้เครียดเนะี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีฝุ่นนะแต่ไม่มีกระจกเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝุ่นมันจะจับกับอะไรอันนี้เป็นคาอุ ป, ปมาของท่านไวลายังนะท่านเวลางเนี่ยท่านเป็นสังฆปริณายกนะองค์ที่หกของรัธิชานหรือชานซึ่งดิปุเรกว่าเสน เป็นที่เคารพนับถือของคนจีนมากนะชอบพุท ด, ด้วมีเกดเล่าว่าตอนที่ท่านไปเป็นเด็กรับใช้อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดใหญ่นะเป็นวัดของสังับรินายกองค์ที่ห้ามีพระอาวุโสนะสิทธิ์รุ่นพี่นะท่านก็เขียนสโลกตามคำสั่งของเจ้าวาดซึ่งเป็นอาจารย์ท่านสโลกนั้นก็เขียนว่าเนี่ยกายนี้เป็นต้นโพ จิตนี่เหมือนกระจกใสต้องหมั่นเช็ดถูไม่ให้ฝุ่นมาเกาะคนก็ร่ำลือว่าเป็นสโลกทิพย์ไพเราะแล้วก็มีเนื้อหาที่ดีท่านเวลานี้ตอนนั้นเนี่ยยังหนุ่มอยู่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่พอได้ฟังก็รู้สึกมันมันยังไม่ถูกนะก็เลยฝากบอกคนให้ช่วยเขียนให้หน่อยนะสโลกย่าเขียนว่า ไม่มีต้นโพไม่มีกระจกใสแล้วฝุน่นจะไปเกาะกับอะไรเจ้าว่าเนี่ยพออ่านพอเห็นเนี่ยรู้เลยเนี่ยเนี่ยของแท้แล้วสรลกแรกนี่นะมันก็เหมือนกับว่าเอามันทำดีไว้นะให้มีสีมีธรรมจะได้เป็นคนดีต้องมัน รักษาใจไม่ให้กิเลสมันมาเกาะไม่ให้ความทุกข์ม า, ม, ม, ามันมาบีบคั้นมีทุกข์ก็ต้องกําจัดทุกข์ออกไปมีกิเลสก็ต้องขัดกิเลสออกไปแต่ว่าท่านเวลานั้นไปลึกกว่านั้นบอกว่าเนี่ยถ้ามันไม่มีคนไม่มีกูแล้วเนี่ยนะมันจะมีความทุกข์ความทุกข์หรือกิเลสนี่นะมันจะอยู่ไหน <c oughs> มีทุกแต่ไม่มีผู้ทุกนะมีกิเลสไม่มีผู้แต่ไม่มีผู้โกรธผู้เกลียดผู้อยากผู้โลภนะไม่ต้องไปเสียเวลาเช็ดไม่ต้องเสียเวลาถูนะเพราะว่ามันไม่มีกระจกนะไม่ต้องไปเสียเวลากำจัดทุกากาจัดกิเลสเพราะว่ามันไม่มีกูนะที่เป็นผู้ทุกนะหรือว่าผู้โลภผู้อยากนะอันนี้เรียกว่า จิตมันเป็นสลายแท้จริงเลยไม่ต้องเป็นคนดีนะเพราะว่าเข้าถึงความจริงที่ว่ามันไม่มีมันไม่มีตัวกูที่จะเป็นคนดีหรือคนชั่วแต่ว่าจะเห็นอย่างนี้ได้นี่มันก็ต้องนะมันก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มข้นเลยนะสำหรับคนยุคนี้อ่ะนั้นเนี่ยเราถ้าากว่าอยากจะ ให้จิตเนี่ยเป็นอิสระนะเดี๋ยวนี้คำว่าอิสระเสรีภาพเนี่ยเป็นคำที่คนรุ่นใหม่ปรารถนามากนะแล้วก็หลงไปกับสิ่งล่อเราล่วย ว, ยวนที่เขาสัญญาว่าจะให้อิสระเสรีภาพกับเราสมัยก่อนก็รุดดนนะจะให้เสรีภาพกับเราเดี๋ยวนี้ก็พวก โซเชียลมีเดียพวกอินเทอร์เน็ตนะสมาร์ทโฟนเนี่ยก็สัญญาวจะให้เสรีภาพกับเรานะทำงานที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเจอรถติดไม่ต้องไปที่ทำงานเจอเวลาทำงานเก้าโมงเช้าสี่โมงเย็นนะเขาก็ล่อหรือว่าเชิญชวนแบบนั้นแต่ว่าเสรีภาพอิสระที่ว่านี่มันก็ เป็นของปลอมๆตราบใดที่ใจนี่มันก็ยังติดอยู่ในคุกแห่งความคิดและอารมณ์เยังจะไม่ต้องคิดถึงการออกจากคุกแห่งอวิชชาหรือความหลงไม่รู้ความจริงนะออกจากความคิดและอารมณ์ที่มันบีบคั้นใจก่อนดนการเจริญสติของสึกตัวสําคัญมากนะถ้าปรารถนาอิสรภาพปรารถนาการนะมีเสรีภาพเนี่ย นั่นช่วงที่เราอยู่ในพรรษาเนี่ยนะมันก็เป็นโอกาสดีที่จะทําให้เราได้จเจริญสติทําความรสึกตัวเพื่อเป็นเครื่องมือในการพาจิตออกจากความคิดออกจากออกจากความความหลงซึ่งเป็นคุกที่แนบเหนียนมากนั่นอย่าเพิ่งดีใจนะว่าออกพรรษาแล้วเนี่ยโอ้เราจะได้ออกจากคุกที่จริงอาจจะ กโจรเข้าไปในคุกที่มันแน่นหนากว่าเดิมมีเวลาอีกสีห้าวันก่อนออกพรรษามีเวลาอีกอาจจะเป็นอาทิตย์ก่อนที่จะศึกนะก็ก็อให้ได้ฝึกนะให้ใช้เวลาที่เหลือนี้สักการฝึกนะเพื่อให้มีสติความสึกตัวที่มั่นคงที่รวดเร็วปาดเปี่ยวอย่าไปคิดว่าตอนอยู่ตรงนี้มันเป็นคุกนะ เพราะจริงมันมีคุกที่น่ากลัวกันนั้นเยอะควรมองว่าไอ้ตอนอยู่ที่นี่เนี่ยคือโอ ก, กาสเรามีอิสระเสรีที่จะได้ฝึกนะเจริญสติเพราะถ้าศึกไปแล้วเวลาก็จะมีน้อยนะงานการต่างๆก็จะรัดตัวไอ้คิดว่าเป็นคารว่าแล้วจะมีอิสระเสรีเนี่ยน ะ, ะกลายเป็นว่ามันมีพันธะมากขึ้นแล้วทุกคนก็จะพูดคล้ายๆกัน ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาไอการที่ไม่ค่อยมีเวลามันก็แสดงเห็นว่าเนี่ยมันถูกรัดรึงพันธนาการด้วยอะไรต่ออะไรมากมายแต่อยู่ที่นี่เรามีเวลาเยอะมีเวลาที่จะภาวนามีเวลาที่จะทําความรสึกตัวมีเวลาที่จะฝึกนะศิลปะในการพาจิตออกจากคุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยนะอย่าอย่าใช้ไปกับการฝันหวาน ใจลอยว่าเนี่ยสึกแล้วจะไปทำอะไรสึกแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนสึกแล้วจะไปกินอะไรนะอันนั้นก็เป็นคุกนะที่มันลวงที่มันลวงหลอกให้เราเข้าไปอยู่ในคุกนะที่แน่นหนามากขึ้นตั้งสติให้ดีแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนะในการเจเริญสติสติทำความสึกตัวให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตระหนักว่าเนี่ยเรายังมีคุกนะ ที่ขังใจเราอีกอย่างแน่นหนาที่ต้องหาทางออกให้ได้เริ่มจากออกจากคุกแข่งความคิดออกจากคุกแข่งอารมณ์แล้วต่อไปมันก็จะออกจากคุกแข่งอวิชชาใดในที่สุดชาญยุพกันเท่านี้กราบพร